เดี๋ยวดูตรงนี้ก็แล้วกันดูตัวในทเทวทวิต ก, กสูตรตรงนี้กล่าวโดยสรุปนี้ น, นะว่าพระเจ้าบอกว่าตอนนั้นพระเจ้าประทับอยู่เชตวันก็บอกว่าสมัยหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเราเป็นพระโพธิสัตย์ยังไม่ได้ตัดสู่ตอนนั้นเป็นบุดรช น, นดํหริว่าเถ้ากไกลเราควรจัดวิตตกออกมาเป็นสองกลุ่มท่านคิดก่อน ห่งพวกร า, การมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นกลุ่มที่1 2. ก็คือเนคขมวิตกอพยาบาทวิตกเอาหิงสาวิตกเป็นกลุ่มที่2ทีนี้ไอากามวิตกคืออะไรความตรึกตรองความคิดในเรื่องกามคิดถึงรูปที่สวยๆเสียงที่เพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยสัมผัสนิ่มๆ คิดถึงบ้านถึงรถถึงทรัพย์ถึงบุตรถึงภรรยาถึงสามีคิดถึงการงานทั้งหลายเหล่านี้ตนเองแล้วเนี่ยคิดแล้วมันติดใจชอบใจเพลินใจตรึกในเรื่องเหล่านี้การตรึกว่าเออเราอยากมีบ้านสวยๆเสียงเพราะๆอะไรก็แล้วแต่เถอะงามๆอยากมีการตรึกการตรองในลักษณะไหนเงี้ยนี่เป็นข้อการมัวิตกนืทีนี้ความตรึกเหล่านี้มันมาจากอะไร บางทีมันมาจากการเรียนรู้มาจากสัญญาเข่าใจไหมที่เราจําได้ปัปปันจากสัญญาเนี่ยสัญญาที่เป็นไปกัตตัญหามาหน้ทิฐิพอสัญญาที่มันเป็นปัปปันจัดสัญญาสัญญาที่เป็นไปกัตตัญหามาหน้ทิฐิปุ๊บไอสัญญาเหล่านี้มันก็เลยเป็นกลายเป็นกิเลสสัญญาเอาเลยเนี่ทีนี้มันก็เป็นการมสัญญาได้ด้วยจําในเรื่องรูปที่สวยๆจาในเสียงที่เพราะๆจําในกลิ่นที่หอมๆจาในรสอร่อยๆจําในสัมผัสนิ่มๆ แล้วไปเรียนรู้ขึ้นมาว่าเราอยากจะเป็นนักกิจกรรมใดๆต่างๆเหล่านี้ยอยากจะมีบ้านอยากมีแล้วมันจํามาหมดแล้วอ่านเรื่องราวต่างๆในจําตรงนั้นแหละพอมันได้จากความจําตรงนี้เป็นการมาสัญญามาไอสัญญาอยู่ในใจเรียบร้อยแล้ววันดีคืนดีวิตกก็ดึงมนะดึงข้อมูลมาแล้วทั้งมิจฉาวิตกดึงมาแล้วดึงพวกกามสัญญาที่เราเคยจาไว้ก็มา จินตนาการต่อมาตรึกต่อใข้ครวรต่อเอาแล้วตรึกโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยทีเนี้ยไอ้บ้านน้อยในป่าใหญ่เกิดทันทีเลยที <c> ่ <oughs> มา่ากสัญญาสัญญานี่มันจำมาก่อนจำจำจำจ ำ, จำเป็นการมาสัญญาตอนเข้าก็จินตนาการมันเป็นการมวิตกทีนี้มันนอกจากการมวิตกแล้วเนี่ยใช่ไหมหนะกเข้านะกเข้ามันก็จะมีเรื่องทั้งพยาบาทสัญญาก็มี ไอ้ที่ไม่ชอบใจเราจะไม่เอาแบบนี้แบบนี้แล้วก็มาปรุงแต่งต่ออีกเป็นพยาบาทวิตกอีกก็ได้เช่นเราจําใครที่เคยกระทาต่อเราไม่ดีอะไรต่างๆก็แล้วแต่เพราะมันคิดเรื่องอัตราตัวตนตลอดคนนี้เคยปรทุษร้ายเราคนนี้เคยทำแล้วมาก็เหมือนพยาบาทวิตรอกเราคิดอยากให้เขาพ้นไปอยากให้เขาวิบัติไปอยาไม่อยากให้เขามาเกี่ยวข้องกับเรานี่เป็นพยาบาทใช่ไหมบางทีก็เป็นวิหิงสาสัญญาเนี่ยเราจําถ้าคนแบบเนี้ย ถ้าเจอเมื่อไรแล้วเราจะไม่ชอบใจแล้วแต่เขา้เขาแต่เขาคิดทําลายเขาคิดให้เขาพ้นไปก็เป็นวิหิงสาวิตกเป็นต้นเหล่าเนีน้เห็นไหมว่ากามวิตกพยาบาทวิติกตกวิหิงสาวิตกมันจะเอื้อกันได้หมดเลยพอ ม, มองแบบคร่าวๆได้ใช่ไหมนี่คืออกุศลวิตกแต่ท่านเนคขามาวิตกเนี่ยมันคิดให้คิดสละคิดแบ่งปันเอ่อปรารถนาอยากจะให้ส่งสวยๆงามๆให้ความ ให้สิ่งที่ดีๆทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอยากสละอยากแบ่งปันนี่เขาเรียกกลุ่มเนคขมมะมีสิ่งของมีเสื้อผ้ามีบ้านมีรถมีทรัพย์มีอะไต่างๆอยากแบ่งปันอยากให้คนอื่นได้มีดีมีความสุขทํายังไงให้เกิดความรู้ให้เขาได้ความรู้ให้เขาได้บ้านดีๆได้รถ ด, ดีๆได้สิ่งแวดล้อมที่ดีๆได้บรรยากาศที่ดีมันให้มันไม่หวงอันนี้มันเรียกเนคขมมะวิตก าอภาัยาบาศวิตกก็คือคิดในเรื่องของการไม่เบียดเบียนคิดเมตตาก็ใช่ไหมอภัยาบาศก็คือเมตตามีเมตตาอยู่ในใจเอวิหิงสาคืคิดกรุณาคิดส่งเสริมให้เขาประสบความสุขเป็นต้นเหล่านี้ยอันนี้กลุ่มกุศลวิโตกพระโพธิสัตว์ท่านแบ่งวิโตกเป็นสองกลุ่มเนี้ยท่านบอกว่าการมาวิตกเนี่ยเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทภาคเพียรมีจิตมุ่งมั่นอยู่อย่างนี้ เรานั้นทราบชัดว่ากามวิตกความตรึกในการพยาบาทวิตกความตรึกในพยาบาทวิหิงสาวิตกความคิดในการเบียดเบียนเกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่กามวิตกพยาบาทาวิตกวิหิงสาวิตกนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างนี่รู้เลยท่านรู้เนี่ยไอ้กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกาบาตเบียดเบียนตนเนี่ยในขณะที่กามวิตกเกิดขึ้นเนี่ยใครเดือดร้อนพยาบาทเกิดขึ้นใครเดือดร้อนวิหิงสาวิตกคิดเบียดเบียนคนเนี่ยเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นด้วย อ้าเรื่องการไ้ยตกเนี่ยถ้าเราอยากจะได้อนาจักทั้งหมดเหล่าเนี้ยเมื่อเราครอบครองที่ทั้งหมดคนอื่นก็เดือดร้อนใช่ไหมฮเนี่ยคนอื่นเขาก็ได้กามน้อยกว่าเราเราก็พยายามเรใช้ศักยภาพเรามากกว่าคนอื่นคนอื่นก็ต้องได้มากได้น้อยกว่าเราก็เดือดร้อนแ ล, แล้วเราโกรธเราพยาบาทเราก็มีศักยภาพมากคนอื่ น, นก็เบียดเบียนคนอื่นอีกวิ่สาคิดเบียดเบียนคนอื่นอย่างนี้เนี่ยเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง ใช่ไหมเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นก็คือเบียดเบียนส่วนรวมเลยยิ่งมีการวิตกมากเท่าไหร่พยาบาทวิตกมากเท่าไหร่วิ่งสายวิตกมากเท่าไหร่ก็เบียดเบียนตนไม่พอเบียดเบียนคนอื่นไม่พอเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเบียดเบียนส่วนรวมให้เดือดร้อนนั่นแหละท่านนี้ว่าเนี่ยเป็นตัวขัดขวางปัญญาการวิตกพยาบาทวิตกญิงสายวิโตกขัดขวางปัญญาทําให้ลําบากไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพาน เห็ขัดขวางปัญญาเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนคนอื่นไหมเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไหมเบียดเบียนส่วนรวมไหมขัดขวางปัญญาไหมขัดขวางทําให้ลําบากไหมลําบากไม่เป็นไปเพื่อเบื่อนายครับครับนาไม่เป็นไปด้วยเมื่อเราพิจารณาเห็นอย่างนี้ปุ๊บการมัทิตกพยาบาทวิโตกวิหิงสาวิตกก็ดับศูนย์ไปดับทันทีเลยเห็นไหมการพิจารณาด้วยปัญญาแบบนี้เดินข้อไหนเดินข้อมักเนี่ยมันดับแล้ว เรานั้นย่อมละย่อมบรรเทากามวิตกพยาบาทวิตกหญิงสาวิตกที่เกิดขึ้นบ่อยๆให้หมดสิ้นไปเนี่ยเห็นไหมพราะปัญญาเกิดขึ้นความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นไปปุ๊บเนี่ยละได้แล้วทีน่นี้ท่านก็บอกว่าทิกสุก็ดีอุบาสกบาสิกาก็ดีเนี่ยยิ่งตรึกตรองถึงวิตกใดมากๆเธอก็มีใจน้อมไปในวิตกนั้นๆมาก จริงไหมไอท้ที่ลองน้อมไปในกาลเมื่อวิตกมากๆมิตกก็มีกําลังไปนั่งจินตนาการเลยเม้งเนั่งจินตนาการเลยลองน้อมไปเรื่องกาลเยอะๆทีน้อมไปในเรื่องของรูปเสียงกิน่นรสสัมผัสบ้านรถหุน้นคิดไปเรื่อยๆนะเศรษฐกิจกสังคมการเมืองเราจะทํำยังไงเราจะมีทรัพย์ยังไงเราจะคิดดิชํานาญไหมกาลม ว, าวิตกจะชํานาญ แล้วก็คิดไม่พอใจคนอื่นด้วยที่ไอ้คนนี้ใช้ไม่ได้แล้วต้องจัดี่ไอ้คนนี้ใช้ไม่ได้คนนี้ช่วยคนนี้ไม่ดีคิดไว้ที่พยาบาทวิตกจะเกิดคนนี้จงวิบัติไปเสี ย, ยใหญ่ไม่ได้ผุดได้เกิดเป็นไกลไ ก, กคนไม่ดีทั้งหลายเหล่านะี้คิดไว้สินั้นน้อมวิตกไหนมากคิดถึงวิตกไหนมากมีน้อมไปในวิตกนั้นๆมากๆ ก, ก็เป็นผู้ท่านน้อมตรึกไปตรองถึงการมาวิตกพยาบาทวิตกหิงสาวิตกเธอ ก็จะละทิ้งเนคข ม, ม่าวิตกเอาถ้าน้อมไปในกามเนคข ม, ม่าก็หายถ้าน้อมไปในพยาบาทอาพยาบาทวิตกก็หายไปน้อมไปในการคิดเบียดเบียนไอกรุณาจิตก็หายไปต้องน้อมสิน้อมตรึกวิตกใดมากวิตกนั้นก็มีกําลังไอวิตกที่ตรงกันข้ามก็หายไปนี่ท่านคิดออกวิธีการปฏิบัติถินไหม นวิธีการปฏิบัติทีนี้ท่านบอกว่ายิ่งตรึกตองถึงกาลมาวิตกพยาบาทวิตกหิงสาวิตกเธอก็จะละทิ้งเนกขมมะอพยาบาตทวิหิงสาและก็ทําแต่กามวิตกกระทาแต่พยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกให้มากจิตของเธอก็น้อมไปในกามบ้างน้อมไปในพยาบาทบ้างน้อมไปในหิิงสาบ้างท่านกวบอกในสาระการ เดือนท้ายห้งดือูฝนเดือนท้ายห้งดือดูฝนคอือดูอะไรจะเข้าฤดูหนาวคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคในที่มีข้าวกล้าหนานเแน่นเขาต้องใช้ไม้ตีต้อนโคไปจากที่นั้นๆคอยกั้นไว้ที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเขาเห็นการฆ่าการถูกจองจาการเสียทราบการถูกตีเตียนเพราะการกินข้าวกล้าเป็นเหตุชั้นใด คือคนเลี้ยงโคเนี่ยถ้ารักษาโคไม่ดีต้อนโคไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวโคไปกินข้ขาวกล้าชาวบ้านเขาบางทีถูกฆ่าเลยโคนั้นถูกเ้าฆ่าทิ้งเลยบางทีถูกจองจําเลยนะเขาจับลงโทษเลยนะว่า ง, งั้นถูกตีถูกเคี่ยนถูกตําหนีถูกด่าด้วยว่า ง, งั้นน่ย น, นั่นคือโทษต้องการดูแลโคไม่ดีเราก็ฉันนั้นเห็นโทษความเลวทรามความเศร้าหมองของอกุศลวิตกเห็นโทษเห็นความเศร้าหมองให็นความเลวทรามของกามวิตก เห็นโทษเห็นความเศร้าหมองความเร็วซามของกรรมพ่อเยาบาศวิตกวิหิงสาวิตกใช่ไหมและเห็นอานิสงส์ในการออกจากกรรมเห็นอานิสงส์ของการเดินเนคขม่วิตกเห็นอานิสงส์ของการเดินเมตตาเห็นอานิสงส์การเดินกรุณาว่าเป็นฝ่ายที่ผ่องแผ้วของกุศลนี่เป็นงนี้ทีนี้ ตรงนี้ก็คือว่าพอท่านเห็นอย่างนี้กาไม่ตกย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทนะภาคเพียรมีจิตมุ่งมั่นอย่างนี้เรานั้นทราบชัดว่าเนกข ม, มวิตกอภยาบาตรวิตกอวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่เนกข ม, มวิตกอภยาบาตอวิหิงสานั้นย่อมเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนคนอื่นบ้างไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายทั้งส่วนรวมพัฒนาปัญญา ถ้าคิดเรื่องกุศลเนี่ยคิดการให้การสละการแบ่งปันคิดเรื่องเมตตาคิดเรื่องกรุณาในพัฒนาปัญญาไม o, ่ทําให้ลําบากเป็นไปเพื่อพระนิพพานโอ้เราคิดอย่างนี้ปุ Porsche ๊บเราก็ยิ Tyler ่งตรึกตรองถึงเนคขมะวิตกยิ่งเจริญเลยเจริญเนคขมะวิตกเจริญอภยบาศวิตกเจริญอวิหิงสาก็คือเจริญเมตตาเจริญกรุณาเนี่ยอยู่ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งวันทั้งกลางคืนและกลางวันอู้เจริญใหญ่เลยพวกเจริญใหญ่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุเนี้ญ เราไม่เห็นภัยที่เกิดจากการตรึกการตรองนั่นเลยไม่เห็นโทษเลยเพราะงั้นเดอมีโทษไหมคิดที่ในการกุศลนี่มีโทษหรือไม่มีในเรื่องโมโนกรรมลว้ล ว, ลวนๆไหมเนี่ยจะยืนจะเดินจะนั่งคิดอย่างนี้นนะแต่เมื่อเราตรึกตรองนานเกินไปร่างกายเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะไม่ได้พักไงอู้มพอพอได เข้าสมาธิระดับนี้ดีๆแล้วยิ่งคิดมองมาอู้ความสุขเกิดนะไม่หลับไม่นอนก็มีนะแต่ร่างกายเพียได้ไหมเขาเรียกว่าจุดตรงไปทั้งด้านความคิดมากเกินไปทั้งๆที่เป็นกุศลนี่แหละกายก็ล้ากายก็ล้าเหนื่อยร่างกายเหนื่อยจิตเริ่มฟุ้งนี่นี่วิธีเจริญนะท่านสอนวิธีจะบญรู้นั่นเนี่ยอย่างเงี้ยแต่อย่างพวกเราเนี่ยไม่ถึงหรอก เดิมากเราทํากันไม่ถึงแลนอนก่อนทุกไลทุกทีใช่ไหมจิตก็ฟุง้งเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิเรานั้นตั้งจิตไว้ในภายในพอรู้อย่างนี้นปุ๊บท่านก็ตั้งจิตไว้ภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลย ภิกษุยิ่งตึกตรองถึงวิตกใดมากๆเธอก็มีใจน้อมไปนิวิตกนั้นถ้าภิกษุตึกตรองในเนคขม่าวิตกอภยบาตวิตตกอวิงสาวิตกเธอก็จะละกาโมวิตกพยาบาตรวิตกอวิงสาวิตกได้การทาเนคขม่าวิตกอภยบาตรวิตตกอวิงสาวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อเนคขมะเพื่ออภยบาตเพื่ออวิงสาวิสกในเดือนท้ายของฤดูร้อนเมื่อข้าวกล้าฤดูถูกนําไปสู่บ้านใกล้เคียงแล้ว คนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคไว้เมื่อเขาเข้าสู่โคนต้นไม้หรือที่แจ้งจะต้องระวังอยู่เสมอนั้นว่าฝูงโคชั้นใดเราก็ชั้นนั้นต้องทำสติอยู่เสมอว่าเรานี้เหล่านี้เป็นธรรมะนี่เป็นกุศลวิตกนี่ท่านเดินก็หมายความว่าเวลาถึงฤ ด, ดูร้อนท่านอุปมาว่าเมื่อข้าวกล้าทั้งหมดถูกนำไปสู่หมู่บ้านใกล้เรียน ยงแล้วคนเลี้ยงโคก็ต้องคอยระวังโคไว้เมื่อเขาไปสู่โคนต้นไม้หรือที่แจ้งก็ต้องระวังอยู่เสมอว่านั่นปูงโคชั้นใดเราก็ชั้นนั้นคือคือในขณะที่ในขณะที่คนเลี้ยงโคเนี่ยพอมันเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยข้าวกาเขาเก็บหมดหรือยัง เก็บหมดแล้วแต่เนี้ยเขาก็ต้อนโคเข้าไปสู่ที่แจ้งสู่ที่แจ้งแล้วก็สู่ที่ล้มไม้แม้ในขณะนั้นเขก็ต้องระวังมีสติกำกับคอยดูโคอยู่เหมือนกันถึงแม้ไม่มีข้าวกล้าในขณะที่เราจเจริญเนคขมะวิตกจเจริญเมตตาจเจริญกรุณาอยู่เนี่ยในขณะนั้นอกุศลวิตกมันหายไปแล้วเหมือนข้าวกล้าเขากเก็บไปหมดแล้ว ไม่ต้องระวังมากก็ได้แต่จริงๆเขาก็ยังต้องคอยดูกุศลวิตกอยู่มีสติกำกับอยู่กับตัวอยู่คอยระมัดระวังอยู่เหมือนกันถึงแม้มันจะอยู่ที่โล่งแจ้งจิตใจเขาโปร่งโล่งเบาแล้วเขาไม่ต้องมีวิกรรมอกุศลวิตตกมาก้กลมลมแล้วใช่ไหมแต่ก็คอยระมัดระวังอยู่แม้ชั้นใดพระองค์ก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันก่อนที่จะตัดสุลุ <c oughs> นี่แปลว่าเดินกุศลมาจนแข็งแรงแล้วเพราะ ง, งั้นเธอ ยันเลยมลสมชีวิตโดยไม่วิกฤตเหมือนเก่าเก่าๆ เ, เนี่ยมันหัมันใกล้ชิดกันมากใช่ไหมล่ะกว่าจะฝึกจากอากุศลมาเดินอกุศลได้คล่องเนี่ยไม่ง่ายทีนี้เราปารบความเพียรไม่ย่อหย่อนสติก็มั่นคงไม่ฟั่นเฟือนกายสงบระงับไม่กระสรับกระสายจิตเป็นสมาธิแน่วแน่นั้น เราสงัดจากกรามอักสงัดจากกุศลธรรมแล้วเข้าถึงปฐมฌานอยู่ประกอบด้วยวิตรกวิจารณพิธิสูงเขืน่นนี่เดินเข้าสมาบัติได้เลยเนี่ยเข้าปฐมฌานได้เลยเห็นไหมพ อ, พอกระจัดพวกลมเอากุศลวิตรกออกมานี่เดินจิตเป็นสมาธิได้สบายไหมเพราะเหมือนอยู่ในที่โล่งแจ้งแล้วสบายแล้วเข้าปฐมฌานก็ได้ฌ้นที่หนึ่งก็ได้อ้าวฝึกพัฒนาต่อไปไม่ยากแล้วแต่นี้เพราะไม่มีกิเลสมากุมลุมลมารบกวนแล้วเข้าทุติยฌานก็ได้ ข้าวตัดที่ชาญก็ได้เข้าวเจตุที่ชาญสงบแล้ระรับก็ได้เนี่ยทีนี้เมื่อได้แล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสปราศจากความสมองอ่อนโยนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วท่านก็ น, น้อมจิตเดินวิปัสสนาญาณเลยดลยและลึกและลึกถึงกระแสขันในอดีตปุ๊บปุบปบจิตมันจิตมันจิ ต, ม, จ ต, ม, จตมีพลังแล้วพอมีชาญเป็นฐานแล้ว ไม่หยุดอยู่ไม่ติดอยู่กับสุกในนั้นเดินต่อเลยทนะีเนี้ยเดินปุ๊ปปป๊ป๊แล้วลึกถึงกระแสชีวิตที่ผ่านมาโดยกำหนดเป็นรูปประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้กำหนดโดยสัตว์บุคคลก็ได้กำหนด้ดยเห็นเป็นรูปนามก็ได้ไม่หลงในสมมุติบัญญัติแล้วแล้วก็เข้าใจปร ม, มัตสธรรมตามความเป็นจริงรละลึกหนึ่งชาติสองชาติโอ้โหไล่ยาวเลย ตามกำลังของสมาธิแต่และ like? am am. Anyway. บุคคลเห็นน <rand> ี <differences> ่อย่างนี่เขาเรียกปุเพนิวาสารุสติญาณญาณที่เป็นปัญญาที่เป็นไปกับสติตามระลึกถึงกระแสขันในชาติทนทนหลังได้โอ้โหระลึกนี่ได้วิปัสสนาญาณที่หนึ่งน่าเข้าพัฒนาต่อเมื่อจิตเป็นสมาธิผุดผ่องไม่มีกิเลสปราศจากความเศร้มองอ่อนโยนบอกให้การใช้งานไม่หวั่นไหวเรานั้นก็น้อมจิตไปเพื่อจุดตูปปาตาญาณเห็นหมู่สัตว์กําลังจุตติปฏิสนธินี่ นี่ปฏิสนธิบาตเห็นเลยเนี่ยเห็นสัตว์ทั้งหลายกําลังปฏิสนธิจุติปฏิสนธิแม้เห็นตนเองด้วยนะเกิดตายเนี่ยเห็นว่าทากรรมอะไรกายกรรมวิจีกรรมมโนโกรรมเป็นทุจริตไม่ติเตียนพริยาเจ้าเข้าถึงอบายทุกติวิิบาตในโลกยังไงกายสุจริตวิจิสุจริตมโนโสุจริตไม่ติเตียนพระริยาเข้าถึงสุตติโลกสวรรค์เห็นเลยเห็นหมูสัตว์กำลังเวียนไหวาตายเกิดโอ้โหเห็นชัดเลยแล้วแต่เขาก็เนี่ยเดินวิปัสสนาญาณที่สองได้ ประการสุดท้ายก็เดินอาสวะขยายานเดินตั้งแต่อุทิเดินเ น, นียสมมสนญญาญอุทยพยาัยานอาทีนวยานไล่ปัญญายานเข้าไปจนถอนกิเลสได้บรรลุอริยมรรคอริยผลเป็นพระพุทธเจ้านี่ท่านพูดถึงการบรรลุธรรมนี่ก็เดินมาในเรื่องของวิตกพ อ, อยังมองเห็นไหมนี่ไปพูดแบบคร่าวๆพอเป็นเส้นทางมันเป็นเส้นทางการตรัสรู้ธรรมในทเวทาวิตตกกสูตรก็แยกเป็นสองส่วนอย่างนี้แหละ <laughs> ดูเหมือนง่าย สี่โมงยังสี่ม ง, สมงพักกันหน่อยดีไหมมีอยากถามอะไรไหมพอเข้าใจอย่างต อ, อนี้เออเนี่ยเห็นไหมว่ามันเป็นช่องทางว่าเราจะละทําไมเรามีช่องทางแล้วต้องการทําไปเพื่อพระนิพพานเพื่อการละกิเลสและกองทุกข์เราไปอ่านพระสูตรเราจะไม่ เ, เข้าใจแล้วอย่างนี้เป็นต้นเลง